สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับพบกับรายการศึกษาคติชีวิตปรานะครับซึ่งมีผู้ติดตามในการนําเสนอเรื่องราวคติและชีวิตของปราตั้งแต่โบราณจนถึงยุปัจจุบันวิธีการนําเสนอจะใช้การอ่านเป็นคำๆขยายความเท่าที่จําเป็นในฐานะนักศึกษาครับไม่ใช่ผู้รู้ผมจะสมบ์เปลี่ยนสมบูรณ์ไปเพิ่มเติมในรายการแนะนํารายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 9ย9แป2เกครับผมกำลังนำเสนอเนื้อหาจากหนังสือที่ชื่อว่าวิวาฒนกิจณัติมรติและประราชชาพุทธนะครับผู้สนทนาประกอบด้วย ดรวันปุลาราหูลานะครับพระชาวศรีรังกาดรเอ็มกาดชโรเกลนะครเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาติตะวันตกแล้วก็ดรเดวิดโบนะครับเป็นนักฟิสิกส์เมื่อตอนที่แล้วเนี่ยถึงตรงที่นะท่านเหล่านี้กำลังถกกันเรื่องว่าความดีของเทกเกมม็เชนสมตติเนี่ยกังบอกว่ามันไม่ใช่ความเป็นคู่กับสิ่งที่เป็นคู่ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สัจจะนะมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่อยู่บนระนาบเดียวกันเพียงแต่จ ะ, จะเคลื่อนไปทางลบมากหน่อยหรือบวกมากหน่อยอะไรประมาณนี้นะกินเซนส์แมตติสบอกว่านะ ผมรู้สึกว่ากลัวนะครับผมก็เลยบ่มเพาะความกล้าหาญขึ้นมาเนี่ยเพื่อขจัดความกลัวไปผมจึงดื่มสุราหรือทําอะไรในทํามนองนั้นเพื่อจัดการกับความกลัวและในที่สุดผมก็พูดได้ ว, ว่าผมกล้าหาญมากบรรดาวีรบุรุษสงครามและผู้คนประเภทเดียวกันได้รับเหรียญกล้าหาญสช่นเดียวกันการกทำแบบนี้ก็เพราะพวกเขาขาดกลัวเขาจึงพูดว่าเราต้องบุกและฆ่าหรือทําอะไรบางอย่างและพวกเขาก็กลายเป็นวีรบุรุษที่กล้าหาญมากนะครับเมื่อตอนที่แล้ว ถ, ถึงประมาณนี้นะครับ่อยเราศึกษานะ บรรดาคนที่ถือว่าเป็นผู้นำของบรรดานักรบเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแจงคริสคารนะครับไม่ว่าจะเป็นฉินซีฮ่องเต้อะไรประมาณนี้นะครับนะพออายุมากๆนะพิชิตมาหมดแดนแล้วไม่รู้จะไปไหนไม่เรียพิชิตอะไรแล้วเนี่ยสิ่งที่เขากลัวนะครับอย่างยิ่งก็คือความตายนะครับความตายเพราะไอ้สิ่งที่เขาได้มาทั้งหมดเนี่ยมันกำจะสูญสหะสลายไปสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความกล้าหาญไหมนะครับเขารบมนทั่วดินแดนนะรบจทังไม่มีไม่มีศัตรูจะกล้าหืนะครับเขาใช้ความกล้าหาญรบหรือเปล่า แต่ถึงบรรดาที่เราอายุมากนะครับกลัวความตายชิ้นสี่ตายเพราะอะไรนะไม่ได้ตายเพราะหายาอายุพัฒนธะจนในที่สุดตายเพราะยาอายุพัฒนธะเลยนะครับนั่นคือตัวอย่างอย่างนึงที่ค่อนข้างชัดนะว่าใครจะกล้ากับคนพวกนี้นะครับบุกเจ้าตุลีไปทั่วที่ทั่วแดนเพื่อจะสู้รบนะบถ้าไม่มีความกล้าแบบนั้นจะไปได้อย่างไรนะครับแต่ทําไมถึงมากลัวในสิ่งซิ่งสุดท้ายแล้วนะบรรดาคนซึ่งไม่มีอะไรในชีวิตนะครับไม่สู้ใครไม่อะไรใครกับไม่กลัวนะเราเราบอกว่านั่นไม่ใช่ความกล้าหาญ กฤษณะปิตบอกว่าผมก็เลยบอกว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ตรงกันข้ามกับมันย่อมมีสิ่งตรงกันข้ามนั้นอยู่ภายในตัวมันเองด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่กฤษณะปิติพยายามจะสื่อกับผู้คนนะครับว่าอยากคืออยากเข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันนะบอกว่าผมก็เลยบอกว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ตรงกันข้ามกับมันนะครับย่อมมีสิ่งตรงข้ามนั้นอยู่ภายในตัวมันเองด้วยคือก้าวไม่พ้นสิ่งนั้นถ้ามันยังอยู่บนบนความเป็นคู่กันเนี่ย เป็นคั่วกันเนี่ยบนระ น, นาบเดียวกันนะย้ายจากลบมาบวกย้ายจากบวกไปลบเนี่ยนะครับบอกว่านะมันก้าวไม่ข้ามก้าวไม่พ้นนะราหราหราบอกว่าเป็นได้อย่างไรกิซ า, านพิตรบอกว่าคุณครับถ้าใครบางคนรู้สึกเกลียดคุณอยู่แล้วบอกว่าฉันต้องรักความรักนั้นเกิดขึ้นมาจากความเกลียดเพราะเขารู้ว่าความเกลียดเป็นอย่างไรและเขาพูดว่าฉันต้องไม่เป็นแบบฉันต้องไม่เป็นอย่างนี้แต่ฉันต้องเป็นอย่างนั้น ดังนั้นฉันดังนั้นสิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับสิ่งนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ตรงกันข้ามนั้นย่อมมีสิ่งนี้อยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ครับที่ผมต้องเรียนตามตรงนะครับผมไม่ใช่ผู้รู้นะครับผมพูดตราๆผมไม่ใช่ผู้รู้แต่ผมเห็นจุดเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นคือเราพูดกันเรายอมรับกันว่าการอบรมเป็นสิ่งที่ไม่มีก็ไม่ได้แต่การอบรมที่เน้นไปในสิ่งที่มันเป็นอุดมคติอะไรบางอย่าง นะครับที่เราเห็นว่ามันดีนะเพราะว่าเหมือนกับผู้รู้สอนมาอะไรมาแล้วเราก็เลยต้องปลูกฝังกับผู้คนว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็คนก็เป็นแบบนี้แต่เป็นแบบนี้ในรูปแบบภายนอกนะครับไม่ได้ผ่านการไข้ครววไม่ได้ผ่านการที่จะทําความเข้าใจอะไรมากมายมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะถูกอบรมมาอย่างนั้นไงนะตัวผูกฝังมาอย่างนั้นใครๆก็เป็นอย่างนั้นในสังคมอย่างนั้นใครๆก็เป็นอย่างนั้นเราจึงต้องเป็นอย่างนั้นพูดอยาก สิ่งเหล่านี้ท่านกิตเซนุติเรียกว่าบางทีมันเป็นแค่ความเป็นหุ่นยนต์นะครับคือมันเป็นเป็ น, นกลไกภายนอกนะที่ใช้ตัดสินอะไรบางอย่างมันผมถือว่าตรงนี้อันตรายนะครับโดยวิธีใคก็ตามซึ่งชอบตัดสินตัดสินผู้คนจากจากลักษณะการใช้ชีวิตภายนอกนะจากการแต่งกายนะครับจากบุคลิกลักษณะจากการใช้ชีวิตนะแล้วก็ฟันธงตัดสินไปเลยว่านะครับเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะผม ไม่คิดมันถูกนะครับผมคิดว่าการเรียนทางของคนมันไกลมากนะบางอย่างเขาต้องไปเรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อความเข้าใจอะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องจําเป็นนะข้างในเขาอาจจะกําลังแสวงหาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งมันมันเป็นเครื่องจําเป็นนะแล้วก็ไปจะจะไปสรุปจากจากลูกประทาภายนอกเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วคนที่มักจะสรุปก็มักจะทําให้เกิดปัญหาคือพวกนักอุดมคติทั้งหลายนะครับซึ่งตัดสินคนด้วยอุดมคติที่ตัวเองยึดถืออยู่ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แล้วก็เนี่ยครับคือสิ่งที่ที่ถือว่านะผมก็ย้ําเป็นระยะระยะนะครับแล้วแต่ว่าเรีใช้เรียกเขาว่าคือถ้ากรอนพามาก็พาไปนะครับอยู่ดีดก็คงไม่พูดขึ้นมานแต่ถ้ามันมีอะไรที่เลือนขึ้นมาว่าเออมันน่าจะย้ําก็ย้ํำนะครับคือผ ม, ผมคิดว่าผมก็เป็นคนหัวอ่อนพอสมควร น, นะผมเรียนรู้อะไรมาพอสมควรจากความเชื่อนะครับจากควคามเชื่อจากการเป็นคนหัวอ่อนเป็นคนที่นะเรียกว่าจะพูดแบงไงนะคือผู้ใหญ่ฉันว่ายังไงดีก็ เอานะครับเราก็พยายามจะทําว่าสิ ing, shuttle, people, really ่งนั้นมันดีนะแต่เมื่อเราอยู่มากขึ้นได้ศึกษามากขึ้นนะครับทั้งข้อคิดทั้งประวัติศาสตร์ทั้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะผมก็ย้าเป็นระยะๆแบบผมเห็นอันตรายของศรัทธาและความเชื่อเนี่ยมากมายนะครับมากมายจนกระทั่งผมคิดว่ามันไม่คุ้มเลยนะที่คนจะใช้ศรัทธาหรือความเชื่อนําชีวิตนะครับเพราะอย่างที่บอกครับมันมันเป็นการยากมากจริงๆที่คนเราจะ จะสามารถรู้ได้ว่าสิ่งนั้นน่ะมันถูกจริงหรือไม่ถูกจริงมันเป็นสัจจจริงหรือไม่เป็นสัจจจริ ง, รงนะความดีกับความจริงอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันความดีที่ปลูกฝังให้ น, ะนักอุดมคติอย่างพวกโตอีกทั้งหลายนะครับโนะตอีก เ, เป็ น, เ ป, นเป็นความคําสอนและที่โ บ, บ, บราณตั้งแต่สมัยยุคกรีกโบราณ น, นะครับเป็นนักอุดมคตินะสิ่งที่เขาสอนมาไม่ใช่ไมด่ดีดีทั้งนั้นนะครับดีเยี่ยมเลยแหละเป็นยอดมนุษย์ซูเปอร์แมนเลยแต่ขณะเดียวกันพวกอุดมคติเหล่านั้นแหละทำให้เขาแบ่งแยกกับผู้คน นะครับใครที่ไม่ทําแบบนั้นกลายเป็นคนแย่กลายเป็นคนใช้ไม่ได้ไปหมดเลยนะและนี่นคือปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันของความเป็นคนดีนะครับซึ่งผมว่ามันก็น่ากลัวเหมือนกันนะมันทําให้กลกลายเป็นคนซึ่งคนเขาไม่่อยกล้าอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าพอคนอยู่ด้วยแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่ทําอะไรก็ผิดไปหมดนะฮะไอ้เรื่องนี้ผมว่าเป็นกับดักที่ที่ต้องระวังอย่างมากทีเดียวนะที่สามอื่บอกว่าคุณครับถ้าใครเป็นคนรู้สึกเกลียดคุณอยู่แล้วบอกว่าฉันต้องรักเนี่ ความรักนั้นเกิดขึ้นจากความเกลียดพราะเขารู้ว่าความเกลียดเป็นอย่างไรและเขาพูดว่าฉันต้องไม่เป็นอย่างนี้แต่ฉันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นนะครับเพราะามันถูกอบรมถูกสั่งสอนถูกปลูกฝังนะครับเดี๋ยวเรียกว่าบบอย่างไงดีนะครับถึงขั้นถูกครอบงำเลยครับเอาอย่างนั้นแล้วกันนะดังนั้นสิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ตรงกันข้ามย่อมเป็นสิ่งนี้อยู่ด้วยนะนี่นคือความนะครับนี่น ค, คือสิ่งที่คริสติพยายามจะบอกนะว่าถ้ามัน อยงนั้นมันก็ไม่พ้นนะ่ยก้าวไม่พ้นน่ยแะครับมันอยู่บนขั้วเดียวกันที่ดึงมาอี ก, อกขั้วหนึ่งเท่านันเองนะราฮูราบอกว่าผมไม่ทร า, ราบว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงกันตรงข้ามกันหรือไม่นะครับเป็นท่านราฮูราก็พยายามจะพูดนะว่าเอ๊ะตกลงนะไม่แน่ใจเหมือนกันกีเซนด้ามดิบบอกว่าเราใช้ชีวิตยอย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราทําอยู่เช่นผมมีความต้องการทางเพศแต่นะครับผมจะต้องไม่รู้สึกอย่างนั้นผมจะตั้งสัตว์ปฏิญาณที่จะรักษา พ, พรหมจรรย์แต่ไม่ใช่ผม นะผู้คนที่ตั้งศัตร์ปัญญาจะเล่าเรื่การร่วมเพศซึ่งก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามพวกเขาจึงมักติดจมอยู่ในวิถีของทางของคู่ตรงข้ามเสมอและผมขอตั้งคำถามเกี่ยวกับวิถีทางทั้งหมดนั้นนะผมไม่คิดว่ามันมีอยู่จริงเราสร้างมันขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอยู่ได้โปรดขอเถอะครับได้โปรดครับนี่เป็นแค่การอธิบายอย่าเพิ่งยอมรับอะไรทั้งนั้นนะคือฉันไม่ได้บอกว่าให้เชื่อนะแต่กำลังแย้งกับสิ่งที่คนเชื่อกันนะครับ คือเรื่องแบบนี้นะ่ยผมคิดว่าท่านกฤษณ์ไปอยูก็ตามหรือท่านไหนก็ตามเนะี่ยไม่มีใครปฏิเสธเขาว่าคนเข้าถึงพมทธมรดงมนะ์เป็นความงดงามแะเป็นความงดงามแต่ท่านเหล่า น, นี้มักจะบอกว่าการเข้าถึงพุทธมรดจไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านการปฏิเสธเรื่องเพศแต่ผ่านการเข้าใจเรื่องเพศนะซึ่งมันไม่เหมือนกันครับแล้วตรงนี้นะครับคือนะไปลองอัตวันแม็กซ์เวเบอร์นะครับผมเคยยกตัวอ ย, าะ ย, ะะยะ่างเป็นระยะระยะแม็กซ์เวเบอร์เป็นเยอรมันนะเป็นถือว่ารู้สึกเป็นบิดาของวิชาสังคมวิทยา เดรมันใครก็รู้ว่านะครับว่าจะต้องเป็นพวกที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวแทนของชาตตะวันตกนะชาตตะวันตกก็คือคนที่ทำอะไรมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งนะครับนัดเวลานี่ไม่ต้องมาพูดกันนัด9ก้ามงครึ่งเานัดเกมนาทีอะไรแบบนั้นนะครับเขาทาอะไรก็ตามต้องมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งนะพราะเาเน้นเรื่องของประสิทธิภาพนะอะไรแบบทานองนี้เพ <c oughs> นเบอร์น <c oughs> เนี่ยนะครับเาเป็นโปรเตสแตนต์นะจริงๆแล้วชาวคริสเตหลายแหล่เนี่ยเาก็มีความคิด จริงๆแล้ค ว, วามเป็นโปรเตนสนต์ Zen i, ยออนนะ่ยังอ่อนนะยังอ่อนลงมากว่ากว่ า, วาคาร์บอนดกไซด์ไปครับคาร์บอนไกไดยิ่งกว่านั้นนะยิ่งกว่านั้นเพราะว่าเขามีความเชื่อพวกนี้นะครับแล้วแม็กซเบอร์เนี B ่ยนะครับเขาบอกเขาไม่เสียเวลาเ้าแต่งงานแต่เขาไม่เสียเวลาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เลยเขาบอกมันไม่ได้อะไรนะครับมันเป็นเรื่องการสูญเสียเวลาสูญเสียพลังงานนะครับเรามีเพศสัมพันธ์ก็คือต้องการมีบุตรเท่านั้นแหละถ้าไม่มีบุแล้วก็ไม่ต่อไปไม่ตอไปเสียเวลากับมัน คำสอนคำปกครองในต่างที่เขารับสิ่งเหล่านี้มาเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าผมจำารายละเอียดมากไม่ได้นะไม่ได้มากแล้วมันนานแล้วนะแต่ใ น, นสุดเขาก็เพี้ยนนะเขาก็เพี้ยนสุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าตอนหลังๆนะครับก่อนที่เขาจะกลับเนื้อกับตัวคือจิตเนี่ยมันเหวี่ยงไปเวี่ยงมานะช่วงนึงเนี่ยเขากลายเป็นคนเลอเทอในเรื่องเพศนะครับเป็นคนที่เลอะเทอนะฮะใช้คำว่าเลอเทอก็น่าจะเข้าใจพอนะครับนะก่อนจะกลับมา เป็นผู้เป็นคนได้ดีอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องเข้าใจอย่างมากนะครับไม่ใช่ว่าท่านใดท่านถือสิ่งนั้นแล้วนั้นนะแปลว่าเราต้องทําตามนะเหตุปัจจัยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับสะสมมาไม่เหมือนกันจะใช้วิธีการแก้แบบเดียวกันนะครับผมไม่คิดว่ามันได้และยิ่งสําคัญกว่านั้นก็คือว่าผู้ใหญ่ที่ไปไปครอบงำนะผู้น้อยให้ต้องต้องคิดอย่างนั้นต้องเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็อันตรายไม่น้อยเหมือนกันนะครับคุณชนะปฏิบัติบอกว่าเราใช้อาางงรทเกพศ แต่ผมจะต้องไม่รู้สึกอย่างนั้นผมจึงตั้งสัตว์ปฏิญาณที่จะรักษาพรหมจรรย์แต่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมนะมันเรียกที่แท้ปฏิเสธนะครับว่าที่ยกตัวอย่างเนี่ยไม่ใช่ตัวผมนะผมไม่ได้ทําอย่างนั้นนะฮะผู้คนที่ตั้งสัตว์ปฏิญาณจะเล่เว้นการร่วมเพศมีอยู่ในทุกศาสนานะครับมีอยู่ในทั้งนั้นเนี่นะครับที่กรีกมีอยู่นะภูเขาเขาเรียกว่าเมาล์อะทอสนะครับเมาลอะทอสนี่เป็นที่ของนักบวชพวกกรีกโออร์เทอร์ดเขาอยู่กันนะตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่สองที่เมาสาน นะพื้นที่แห่งนี้นะครับนักบวชอยู่กันแล้วก็มีผู้ชายเข้าไปได้เท่านั้นเขาไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาเข้าไปนะครับเป็นเวลาเนี่ยครับเป็นเวลาเป็นพันพันปีมาแล้วนะครับถือว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นก็ทำให้พระบรมจารย์เขาไม่บริสุทธิ์นั่นแหละนะครับผู้หญิงเข้าไม่ได้นะเป็นพันพนปีมาแล้วซึ่งก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามพวกเขาจึงมักติดจมอยู่ในวิถีทางของคู่ตรงกันข้ามอยู่เสมอและผมขอตั้งคําถามเกี่ยวกับวิถีทางทั้งหมดนั้นผมไม่คิดว่ามันมีอยู่จริงนะครับ กฤษณะปฏิบัิบอกว่าผมไม่คิดว่าอารมณ์ขติอย่างนั้นมันมีอยู่จริงนะเราสร้างมันขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอยู่นะครับอย่างที่บอกครับมันเป็นแบบเตาอีกนะเป็นแบบที่ตั้งอารมณติไว้นะครับแล้วก็คิดว่าต้องไปให้ถึงนะนะได้โปรดเครับนี่เป็นแค่การที่บายอย่าเพิ่งยอมรับอะไรทั้งนั้นนะครับนั่คือสิ่งที่กฤษกิปฏิบัิบอกว่านะเรามาคิดมันค่อยคือนกันไม่ได้เป็นบทสรุปนะครับได้ไม่ใช่บทสรุปนะแล้วผมก็ไม่ได้เสนอบทสรุปนะครับผมเสนอแค่แง่มุมที่ต่างกัน ให้นำไปทบทวนถ้าใครจะทบทวนหรือใครจะเชื่อตามนั้นก็ตามอัธยาศัยนะครับเพราะว่านะเรื่องของสิ่งเหล่า น, นี้นเป็นเรื่องตัวใครตัวมันนะเพราะว่าใครก็ตามที่ที่ผมคิดว่าใครก็ตามที่เข้าใจศาสนาศา ส, สนาไม่ใช่เรื่องหลอกคนนะคุณหลอกคนอื่นก็หลอกได้หมดเลยนะครับแต่คุณหลอกตัวเองจะหลอกเพื่ออะไรชีวิตคุณจะเกิดรายหรือไม่เกิด ก, ก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหลอกให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเราหน้าศรัทธาน้าคารพหน้าบูชาแล้วมีประโยชน์อะไรถ้าสัจจะคุณไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะ เพื่อเป็นเรื่องของความจริงใจเขาจ้าแต่ละคนที่จะชื่อตรงต่อตัวเองเท่านั้นเองครับแม้ใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็นะครับก็แล้วแต่นะครที่กกว่าครับดรเชอร์เกลบอกว่าโดยความเห็นส่วนตัวดิฉันถือว่านั่นเป็นเพียงสมมติฐานเพื่อการทํางานนะเพื่อเพื่อทําการงานวิธีทางแห่งด้านตรงกันข้ามคือองค์ประกอบที่พัฒนาความเป็นมนุษย์และเราทุกคนต่างก็ติดอยู่ในกำลังของมันนะครดรเชอร์เกลบอกว่าโดยความเห็นส่วนตัวนะครับดรเชอร์เกลเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยนะนะดูท่านจะเป็นผู้ที่เข้าใจน้อยกว่าเพื่อนนะครับ ดิฉันถืว่านั่นเป็นเพียงสมมติฐานเพื่อทําการงานนะวิธีทางแห่งด้านตรงข้ามคือองค์ประกอบที่พัฒนาความเป็นมนุษย์นะครับหมายควาว่าคนก็ต้องอาศรรยัยสิ่งเหล่านี้นะครับที่มันอยู่กันในสังคมเนี่ยมันก็นะมัไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยก็ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันนะครับและเราทุกคนต่างก็ติดอยู่ในกระดับดดของมันเพราะมันต้องอาศรรยัยไงครับก็เลยติดอยู่กับในกับดับของมันนะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะครับดิฉจึงถืว่าโอ้ไม่ใช่นั่นไม่ใช่องค์ประกอบที่พัฒนาความเป็นมนุษย์นะมันเหมือนกับการพูดว่าฉันนเป็นคน ชนเผ่ามาก่อนเดี๋ยวนี้ฉันกลายเป็นคนของประเทศแล้วในที่สุดก็จะเป็นคนสากลประเทศแต่มันก็ยังคงเป็นเรื่องของรัที่เผ่านิยมอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นกิสนาบิวติก็บอกเองครับว่านะคือที่เราเชองแกบอกว่าอันนี้คือการพัฒนาความเป็นมนุษย์ตรงนี้เป็นภาษาซึ่งปรเยดอนกิสนาบิติกไม่ยอมรับครับเพราะกิษณาบิวติถือว่าการพัฒนาความเป็นมนุษย์นั้นคือการเข้าถึงความจรงิงไม่ใช่เปลี่ยนจากขั้วหนึ่งไปสู่อีกขั้วหนึ่งนะครับการเปลี่ยนจากขั้วหนึ่งไปสู่อ ทุนนิยมกำลังสามารนะ่ะก็กลับไปเป็นคอมมิวนิสต์เสียแคอมมิวนิสต์ก็ไปไม่รอดก็กลับมาเป็นทุนนิยมมันก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่แค่นี้แหละนะครับ ม, ม, มันจะสามมาันจะสามาอยู่ได้พอดีอยู่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงทางทางจิตบัญ ญ, ญ, ญาณนะแต่ความเป็นอยาทางจิตวิญ ญ, ญาณก็เกิดไม่ได้เพราะมันจะเกิดสิ่งนี้ได้มันต้องเกิดจากผู้รู้นะครับแต่คนที่เป็นใหญ่ไม่ใช่ผู้รู้บรรดาน้าการเมืองทั้งหลายเป็นใหญ่เพราะชาวบ้านก็ชอบคนแบบนั้น เพราะนั้นมันไม่มีขอรับไอสิ่งเหล่านั้นในโลกมันไม่มีมันมีก็แค่ว่าใครปฏิกิริบุคคลเท่านั้นแหละที่จะต้องศึกษาสิ่งเหล่านี้เองนะมันจะไปรออย่างอื่นไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้นะกิซ่าบอว่าโอ้ไม่ใช่นั่นไม่ใช่องุปกรณ์ที่พัฒนาความเป็นมนุษย์นะนันตรงนี้สําคัญนะครับท่านปฏิเสดว่าการเป็นขั้วเนี่ยมันไม่ใช่การพัฒนาความเป็นมนุษย์มันเหมือนกับการพูดว่าฉันเป็นคนชนเผ่ามาก่อนเดี๋ยวนี้ฉันกลายเป็นคนของประเทศแล้วนะครับพวกอะไรพวกเชโลกีในอเมริกาพวกในนิวซีแลนด์นะครับ พวกนี้นะในที่สุดเป็นคนของสากลรประเทศนะกลายเป็น globalization นะครับแต่มันก็ยังคงเป็นเรื่องของลัทธิเผ่านิยมอยู่ดีนะแลานโบบอกว่าผมคิดว่าคุณทั้งคู่กำลังบอกว่าเราก้าวหน้าในความหมายบางอย่างคือเราไม่ได้ป่าเถื่อนเหมือนเมื่อก่อนนะแล้วท่านโบก็บอกว่านะกาลังจะอธิบายว่าผมก็คุณทั้งคู่เนี่ยกำลังบอกว่าเราก้าวหน้าในความหมายบางอย่างนะไอ้ความก้าวหน้าในความหมายบางอย่างที่ว่านะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ความหมายเดียวกันที่กำลังจะพยายามจะถกเนี่ยนะ เราไม่ได้ป่าถื่อนเหมือนเมื่อก่อนนะครับดรเฉลียเกลียบอกว่า iber, นั่นคือความหมายของสิ่งที่ฉันเรียกว่าองค์ประกอบที่พัฒนาความเป็นมนุษย์นะนดรเฉลียวเกลียวก็ยังมองอย่างนี้อยู่นะครับเพนะราะว่าเนื่องจว่าเป็นการพัฒนาความเป็นมนุษย์แล้วนะที่กิสแลมเบอร์ติเปเรีเทีเยบไปแล้วว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่พัฒนาความเป็นมนุษย์นะครับิมเติบอกว่าผมขอถามว่ามันเป็นการพัฒนามนุษย์หรือไม่นะกิมเตีก็ให้กลับไปทบทวนนะครับว่าถึงที่ดรเฉลียเกลคิดว่าการนี่เก นะครับที่วิธีการถกนะแบบโชเคตีสนะครับแตไม่ใช่วิธีการครอบงํานะเพราะการครอบงำมันมันเปลี่ยนแปลงคนจากภายนอกได้จากความเกรงใจจากความกลัวจากกระแสะสังคมอะไรร้อยอย่างร้อยแปดอย่างทําให้เขาเปลี่ยนแปลงภายนอกได้แต่พอเขาเปลี่ยนแปลงภายนอกนะครับผู้ใหญ่ก็พอใจพอผู้ใหญ่พอใจเขาก็พอใจพอผู้ใหญ่พอใจเขาจึงหยุดการพัฒนาความเข้าใจนะครับเพราะเขาทําตามที่ผู้ใหญ่ต้องการได้แล้วไงมันก็จบแล้วไงชีวิตเขาก็สบายแล้วไงนะ แต่มันคือปัญหานี่คือปัญหาข้างในนะครับนี่คือปัญหาข้างในเพราะนั้นวินัยที่มากเกินไปนะครับผมคิดว่าเป็นอันตรายมากกว่าเป็นคุณนะฮะลาฮูราบอกว่าผมไม่อยากพูดถึงเรื่องสุดตรงนะครับอกว่าผมไม่อยากพูดถึงเรื่องสุดตรงกิซานวิถีบอกว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องสุดตรงนะมันเป็นความจริงเท่านั้นความจริงไม่ใช่สิ่งที่สุดตรงเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นกับดักภาษาคําว่าสุดตรงนะครับหรือคําว่าความจริงอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเราถกกันมาทุกยุคทุกสมัย นะครับทุกทุกสมัยนะไม่ต้องกลัวว่าจะเรื่องนี้จะหมดไปนะครับมันได้ถกกันไปตลอดตลอดไปนะครับเพราะต่างคนก็ต่างมีทิฏฐิของตัวนะหรือคนไม่มีทิฏฐิก็ยังถูกมองว่ามีทิฏฐิในแบบหนึ่งเหมือนกันอะไรแบบนี้นะเพราะนั้นนะครับก็อธิบายกันไปนะครับคนนึงก็ว่าอีกฝ่ายหนึ่งสุดโตงนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่แต่ละคนจะพูดไปตามความเข้าใจของตัวนะเราเราบอกว่าผมไม่อยากพูดถึงเรื่องสุดโต่งการเรียกว่าติณชิกินพี่แซมพี่ติดพูดเนี่ยมันสุดโต่งนะครับพัฒนามารุตแบบนี้นะมัน ผมก็กลังสื่อความจริงผมไม่ได้พูดสิ่งที่สุดตรงนะแล้วก็ย้าว่าความจริงไม่ใช่สิ่งที่สุดตรงนะดรโบบอกว่าคุณกําลังพูดใช่ไหมว่านี่ไม่ใช่ความก้าวหน้าที่แท้จริงในอดีตผู้คนป่าเถื่อนกว่าผู้คนโดยทั่วไปในทุกวันนี้คุณจะพูดได้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วความก้าวหน้าแบบนั้นไม่มีความหมายมากนะักนะครับที่นนั้นปฏิบัติเรายังคงป่าเถื่อนอยู่นะนี่คือสิ่งที่มันเหมือนพูดกับคนภาษานะครับเหมือนพูดกับคนภาษาเพราะว่าคือฝ่ายหนึ่งเด็กําลังพูด ความเปลี่ยนแปลงบนบนเขาเรียกอะไรบนขั้วเดียวกันนะไ ม, ไม่บนเส้นเดียวกันจะอยู่บนคนละขัข้วอะไรแบบนั้นนะใครไปอ่านประวัติศาสตร์นะครับสมัยที่สเปนเข้าไปบุกรุกในอเมริกานะีมันเป็นความโหดร้ายที่ไม่น่าทําได้นะครับคนเป็นล้านล้านคนในในอเมริกาใต้นะครับเวลาไม่กี่ปีที่สเปนเข้าไปเหลือเพียงคนเหลือคนเพียงไม่กี่ร้อยคนนะที่เหลือสเปนฆ่าเกลี้ยงเพื่อจะยึดครองทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งเหล่านี้นะครับมันมันโลกยุคใหม่เนี่ยมันนะคือมันก็ทําได้ยากหรือทําไม่ได้นะครับเพราะสังคมโลกไม่ค่อยยอมครับจะไม่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ที่สมบูรณ์จริงหรือไม่นะครับหรือมัเป็นพียงเพราะว่ากระแสสังคมเพราะว่าสื่อออนไลน์หรือเพราะอะไรหรือเปล่านะนั่นคือประเด็นนะครับว่าไอ้ที่เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงพราะนิสัยอย่างแท้จริงหรือมันเปลี่ยนแปลงเพียงเพราะว่าเหตุการณ์โอกาสมันไม่อำนวยก็เลยทําไม่ได้อะไรแบบนั้นด้วยนะถึงบอกว่านะครับนี่นี่คือสิ่งที่นะ คีแทมบอว่าเรายังคงป่าเทือนอยู่นะครับแล้วในที่เราเปลี่ยนแปลงดูเหมือนจะดีขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเราดีขึ้นจริงหรือว่าเป็นเพราะว่าอะไรบางอย่างที่ทําให้เรามีข้อจํากัดหรือเปล่าเนี่ยแล้วจะบอกว่าคุณกำลังพูดใช่ไหมว่านี่ไม่ใช่ความก้าวหน้าที่แท้จริงในอดีตผู้คนป่าเทือนกับผู้คนโดยทั่วไปในทุกวันนี้คุณจะพูดได้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความก้าวหน้าแบบนั้นไม่มีความหมายมากนะนะครับที่คนไม่กล้าแสดงความโหดร้ายทารุณแบบในอดีตเนี่ยนะคีแซมไม่ได้บอกว่าเรายังคงป่าเทือนอยู่ นะครับพี่แต่ว่านี่ก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบหรืออะไรเหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ท่านก็ยังเน้นตรงนี้ว่านะครับไอ้ความป่าเถื่อนเหมือนกับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะอาจจะเปลี่ยนรูปแบบแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะดรโบบอกว่าใช่เรายังป่าเถื่อนแต่คนบางคนบอกว่าเราไม่ได้ป่าเถื่อนเหมือนที่เราเป็นมาในอดีตนะคุณสร้างผู้สื่อข่าบอกว่าไม่เหมือนนะครับบอกว่านะดรโบก็ยอมแล้วว่าเรายังป่าเถื่อนนะครับแต่ก็คนบางคนบอกว่าเราไม่ได้ป่าเถื่อนเหมือนที่เราเป็นมาในอดีต คนบางคนไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้บอกว่าใครนะครับบอกว่าเราไม่ได้ป่าถึงเหมือนที่เราเป็นมาเลยดิไอเขาว่าไม่เหมือนไม่ได้แปลว่าดีกว่าหรือเร็วกว่านะครับเพียงแค่ไม่เหมือนเฉยเฉยสะจีซามบูบอกว่าไม่เหมือนนะครับก็คือยอมยอมรับว่ามันไม่เหมือนนะแต่ดีขึ้นหรือเร็วลงหรืออะไรไม่ได้พูดอย่างนั้นแล้วเจ้าบอกว่าขอให้เรามาดูว่าจะอธิบายเรื่องนี้ให้กระจ่างได้อย่างไรเอาละคุณจะพูดได้ไหมว่าเรื่องนี้ไม่สําคัญไม่มีเนื้ยะสําคัญนะโดยเจ้บอกว่าเราให้เรามาดูว่าอธิบายเรื่องนี้ให้กระจ่างได้อยาคัะสํญ ดิซั่บอรบอกว่าไม่เมื่อผมบอกว่าผมดีกว่าเมื่อก่อนมันไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับดิซั่นเบอรการพูดว่าเนะมื่อผมบอกว่าผมดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยแสดงว่าคำว่า ด, ดีกว่าเมื่อก่อนของคริวเซนเบอร์ตีอ่ะมันไม่ใช่ดีกว่าเมื่อก่อนในความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจขณะ <N. S 2> ที่คนทั่วไปอาจจะพอใจนะครับคนแค่จากพูดโกหกเป็นเรื่องพูดโกหกเนี่ยก็พอใจแล้วแต่คริวเซนเบอรติไม่ได้ถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นความงอกเงยอะไรถ้ามันไม่ได้เกิดจากข้างในนะครับมันเกิดจากแค่ วินัยอะไรภายนอกหรืออะไรบางอย่างซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้มากพออะไรประมาณนะั้นะนะครับโรเตอร์บบอกว่าผมคิดว่าเราควรจะทําเรื่องนี้ให้กระจ่างแล้วฮุราบอกว่าในความหมายที่เกี่ยวพันกับความเป็นคู่ผมไม่ยอมรับเรื่องนั้นผมไม่เห็นอย่างนั้นและในความหมายที่เป็นสิ่งสูงสุดก็ไม่มีอะไรทํานองนั้นนะครับแล้วเราฮุราก็บอก่าในความหมายที่เกี่ยวพันกับความเป็นคู่เนี่ยผมไม่ยอมรับเรื่องนั้นนะครับผมไม่เห็นอย่างนั้นและในความหมายที่เป็นสิ่งสูงสุดก็ไม่มีอะไรทํานองนั้น คือท่านไม่บกว่าไม่ไม่ใช่สิ่งสูงสุดแม้แต่คําว่าสิ่งสูงสุดผมก็ไม่ยอมครับผมเห็นว่าภาวะตรงกันข้ามเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันอย่างไรไม่ใช่เห็นในที่สุดเช่นผมเป็นคนโลภนั่นคือความจริงอย่างหนึง่งผมพยายามจะเป็นคนไม่โลภซึ่งความไม่โลภไม่ใช่ความเป็นจริงถ้าผมยังอยู่กับความจริงที่ว่าผมโลภจากนั้นผมสามารถทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความโลภได้จริงๆเดี๋ยวนี้เลย ดังนั้นภาวะตรงข้ามจึงไม่มีคุณครับยกตัวอย่างความรุนแรงและความไม่รุนแรงความไม่รุนแรงคือภาวะตรงกันข้ามกับความรุนแรงมันคืออุดมคตมิดังนั้นความไม่รุนแรงจึงไม่ใช่ความจริงความรุนแรงเท่านั้นที่มีอยู่จริงฉะนั้นผมจึงสามารถจัดการกับความจริงได้ไม่ได้จัดการกับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ความเป็นจริงแต่ครับนั้นกฤษามิ่อก่อนจะพูดถึงนะว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยนะกาษังจะพูดถึงว่า การที่จะไปจัดการกับสิ่งที่ไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงแค่ความคิดนะมันไม่ใช่ความจริงเพราะฉะ้นจัดการอะไรต้องจัดการกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับบอกว่ากิสลาเบียบอกว่าไม่นะครับไม่ใช่สิ่งสูงสุดนะแม้แต่คําว่าสิ่งสูงสุดผมก็ไม่ยอมรับผมเห็นว่าภาวะตรงกันข้ามเกิดขึ้นในชีวิตปัจําวันอย่างไรนะไม่ใช่เห็นในที่สุดนะครับคือสิ่งที่กฤษลาเบีพูดเนี่ยมันเกิดในชีวิตปัจจุบันไม่ใช่ในไม่ใช่ในอนาคตนะเช่นผมเป็นคนโลกนั่นคคืออวาามจริงงงย่่หนึ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 ซึ่งมันมีอยู่จริงในเวลานี้นะครับดังนั้นความไม่รุนแรงจึงไม่ใช่ความจริงความรุนแรงเท่านั้นที่มีอยู่จริงในแต่ละคนในแต่ละคนฉะนั้นผมจึงสามารถจัดการกับความจริงได้เพราะมันอยู่ตรงหน้าไม่ใช่จัดการกับสิ่งที่ไม่ใช่ความเป็นจริงซึ่งอยู่ในอนาคตนะครับราเูราบอกว่าถ้าเช่นนั้นประเด็นของคุณคืออะไรกฤษณะบุรีบอกว่าประเด็นก็คือไม่มีความเป็นคู่แม้แต่ในชีวิตประจําวันมันเป็นเพียงสิ่งที่สร้างขึ้นมาของบรรดานักปรัชญา เราปัญญาชนพวกนิยมสังคมอุดมการหรือบรรดานักอุดมคติที่บอกว่ามีภาวะตรองกันข้ามจงปฏิบัติการเพื่อภาวะนั้นแต่ความเป็นจริงก็คือผมเป็นคนรุนแรงก็แค่นั้นขอให้ผมจัดการกับความรุนแรงนั้นและในการจัดการกับมันอย่าสร้างความไม่รุนแรงขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ น, นะคีซ่ามัตกำลังจะบอกว่าภาวะอุดมคติทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ บรรดานักคิดนักปรัชญาทั้งหลายสร้างแบบเดียวกับสังคมยูโทเปียคล้ายๆอย่างนั้นครับคือคิดขนะึ้นมานะกิซานเบรบอกว่าประเด็นก็คือไม่มีความเป็นคู่แม้แต่ในชีวิตประจําวันมันเป็นเพียงสิ่งที่สร้างขึ้นมาของบรรดานักปรัชญาเราปัญญาชนนะครับพวกนิยมสังคมอุดมการ์หรือบรรดานักอุดมคติที่บอกว่ามีภาวะตรงกันข้ามจงบฏิบัติการเพื่อภาวะนั้นแต่ความจริงก็คือผมเป็นคนบุญแรงก็แค่นั้น ขอให้ผมจัดการกับความรุนแรงนั้นนะครับกิจสัญญาิไม่ได้บอกว่าจะไม่จัดการนะครับเพียงแต่วิธีการจัดการของกิจสัญญาณวิไม่เหมือนกับที่นักอุดมคตินักปรัชญานะครับนักสังคมอุดมการ์ทั้งหลายสอนไว้ทั้นเองนนะีและในการจัดการกับมันอยาสร้างความไม่รุนแรงขึ้นมานะครับบอกว่าไม่ต้องสร้างความไม่รุนแรงขึ้นมานะครับลุเชอว์ก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นขนาดก็คือดิฉันจะจัดการกับมันอย่างไรนะเมื่อได้ยอมรับความจริงว่าดิฉันเป็นคนรุนแรง ตัวต่้งเฉลยเกิก็ถามขึ้นมาแท้ยังงั้นนะถ้าบอกว่านะครับอย่าสร้างความรุนแรงขึ้นมาเนี่ยเราจะให้จัดการกับไอ้ความรุนแรงที่ฉันเห็นอยู่ต่อหน้าเนี่ยอย่างไรนะถ้าฉะนั้นคําถามก็คือดิฉันจะจัดการกับมันอย่างไรเมื่อได้ยอมรับความจริงแล้วว่าดิฉันเป็นคนรุนแรงกิสณามาคบอกว่าไม่ใช่ยอมรับมันคือความเป็นจริงนะครับเขาบอกยอมรับแต่เขาบอกความเป็นจริงมันดูเหมือนจะเขาว่ายอมรับนะดูเหมือนมันจะอาจจะไม่ชัดเท่ากับความเป็นจริงที่มันมีอยู่นะ เห็นว่าท่านละเอียดออนกับการใช้ภาษามากเลยทีเดียวนะเพื่อพราะเรื่องพูกนี้มันเป็นนามธรรมานะครับเป็นตามนามธรรมาถ้าผู้คนใช้ภาษากว้างๆแล้วเนี่ยนะครับเข้าใจด้ยวยกันยากมากทีเดียวนะครับนะครับผมก็ได้นำเสนอเนหาใจใกหนังสือที่ชื่อว่าวิวาธะกิษณัิมรติและปราชาพุทธนะครับวันนี้พอสมควรเกินเวลาช่วยกันแปรขยะเป็นบุญทราสับสนุนบุญนิยมทีวีครับขอบพระคุณครับจเจริญธรรมครับ